2 อ, อาทิตย์นะก็จะออกพรรษาแล้วหลายคนก็มีโครงการนะที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อออกพรรษาโดยเพรา ะ, ะพระใหม่ที่ตั้งใจว่าจะศึกหลังออกพรรษาก็ดีหรือว่าหลังกระถินก็ดีตอนนี้ก็ต้อง พยายามดูจิตดูใจของตัวเองให้ดีนะอันนี้ก็รวมถึงพระเก่าด้วยมัชฌิ ม, มเถระแม่ชีหรือว่านักปฏิบัติเพราะว่าพอใกล้ออกพรรษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกครุ้ม อ, อกครุ้มมใจจะได้ออกพรรษาสักทนะีสำหรับพระบางรูปก็จะรู้สึกว่า เหมือนกับจะได้ออกจากคุกอันนั้นนะนั่นก็จะมีความจะวาดหวังวาดฝันต่างๆว่าจะทําอะไรออกพรรษาจะทุดงไปไหนจะทําโน่นทนํานี่ใจมันจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่แล้วใจมันจะไปอนาคตแล้วความคลุ้มอกคลุ้มใจนี่ก็เป็นอันตรายนะเพราะมันทําให้ลืมตัวได้อย่างที่ได้ บอกอไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะว่าพอพอมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นหลังจากจำพรรษามา2เดือนหรือ2เดือนครึ่งแล้วก็มีความคลืม อ, อกคลืมใจมันก็จะเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจมากขึ้นคําพูดคําจาก็จะมีการหยอกล้อกันมากขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยกันสนิท ก, กันความเกรงใจก็จะมีน้อยลง เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายคนเรานี่ไม่ได้กระทบกระทั่งกันหรือขัดแย้งกันเพียงเพราะว่ามีความเครียดบางทีไอ้ความเพลินความเพลินความดีใจความคลุ้มอกครุ้มใจมันก็สามารถจะทําให้ลืมตัวแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดทําในสิ่งที่ไม่ควรทํา บางทีอาจจะรู้สึกว่าอะไรๆะรก็เริ่มหย่อนยานบางท่านก็อาจจะอยากจะออกจากวัดไปเที่ยวบางทีก็นัดกันนะนัดกันไปกินอาหารไปเลี้ยงไปฉันอาหารเพลงกันที่โนนที่นี่นันมันก็มีอยู่นะเลยพะในช่วงใกล้ๆออกพรรษาหรือช่วงปลายพรรษานี้ อที่เคยเล่าว่าพระต่อยกันก็ดีนะหรือว่ามีเรื่องทะเลาะบบาแหวงกันมันก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดกแกลาออกกันสานี่แหละที่ยิงไม่ใช่พระนะแม่ชีที่ถึงกับทำร้ายกันจนกทั่งเลือดตกยางออกนะอย่างมีปีหนึ่งแม่ชีก็สองคนก็ทะเลาะกัน เอาพั่วหรือเอาเอาเสียบเนี่จามหัวแตกต้องไปเย็บกันที่อนามั ย, เ, ยเสื้อขาวๆเนี่เปื้อนเลือดก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้แหละว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงอันตรายนะจะต้องตั้งจิตให้อยู่ในความไม่ประมาทต้องระมัดระวังตัวอย่าปล่อยตัวปล่อยใจ อย่าอย่าทำอะไรหย่อนยานนะบางคนก็ชักจะเริ่มนะไม่มาทำวัดแล้วนะกล้จะออกพรรษาแล้วก็ไม่กลัวอะไรแล้ะหรือว่าไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตัวให้เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อนนะความขี้เกียจ ก, ก็ดีหรือว่าความเพลินในในฝันกลางวันนะ มันก็ค่อยๆแสดงตัวออกมาอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาทำให้การปฏิบัติที่เราอุตส่าห์ทำมาดีโดยตลอดสองเดือนครึ่งนะมันเสียไปอะไรที่เราทำดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปโดยพอกิ จ, จวัตรประจำวันนะเช่นการทำวัดโสดมวนการ บินทบาตหรือว่าการปฏิบัติการเจริญสติให้รู้กายรู้ใจยังเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าพอการจอบรรษาแล้วก็ไม่ทำแล้วศาสตรใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่ สามใดที่เรายังต้องเจอความแก่ความเจ็บความพัดพลาดหรือความตายนะเราก็ยังต้องปฏิบัติทำกันไปยิ่งกลัวเจ็บยิ่งกลัวแก่ยิ่งกลัวตายนี่หรือกลัวการพัดพลาดนี้ต้องต้องขับเขี่ยวฝึกฝนตนนะให้มันคงในการเจริญสติไม่ว่าเราจะ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันที่เป็นกิจวัตรสามัญนะก็ขอให้มีสติมีความรู้สึกตัวไม่ว่ามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นนะบวกหรือลบนะก็ต้องรู้ทันเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนี่เราจะรู้ทันได้ไวนะได้ไวกว่าความสุข เพราะว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสึกอยาบปรับใสก็ทําให้เราเกิดความตื่นตัวที่จะจัดการกับมันคนที่เจริญสติมาอย่างต่อนเนื่องก็จะเกิดความรู้ทันได้ไวมีความเครียดความเศร้าความขัดเคืองขับแค้นสติจะมาได้ทันได้ไวกว่า ไวกว่าเวลาเราดีใจเวลาเราคลุ้ม อ, อกคลุ้มใจนะมันจะหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์นั้นได้ง่ายกว่าแล้วก็ถอนออกมาได้ช้ากว่าเพราะว่ามันจิตมันเพลินมันอยากจะเข้าไปนานนามันอยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นนานนาซึ่งแตกจากเวลาเจอความทุกข์นะมันอยากจะผลักใส ให้ความตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งเวลามีความกลัวนะเวลามีความกลัวการปฏิบัตินี่บางคนจะรู้สึกว่าดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่าจิตมันไม่อยากจะออกไปเพ่นพานข้างนอกหลวงพ่อชาท่านเล่าว่าท่านเคยไปทุดงในป่า พระสมัยก่อนพระป่าสมัยก่อนทั้งก็ทุ่ดงรูปเดียวนะสมัยก่อนป่าก็มีเยอะมากแล้วก็ป่าแต่ละที่ก็มันน่ากลัวทั้งนั้นเพราะว่ามีสัตว์นะสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์มีเขี้ยวนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคืนหนึ่งท่านไ ป, ปบักกรดอยู่ ก็เลือกที่ที่คิดว่าปลอดภัยแต่ว่ากลางดึกก็ได้ยินกลิ่นเสือท่านบอกว่าเนี่ยคนที่ไม่เคยได้ยินกลิ่นเสือเนี่ยหรือสาบเสือเนี่ยเพียงแค่ได้กลิ่นครั้งแรกก็รู้แล้วมันมันก็เป็นสัญชาตญาณที่มนุษย์เราสะสมกันมาเหมือนกับลิงนะพอเจองูนี่มันก็พะวาทันทีไม่ต้องมีใครสอน คนเราพอได้ินกลิ่นสาบเสือนี่มันก็รู้เลยว่าเสือแล้วก็กลิ่นนั้นมันก็แรงฉุนแล้วมาใกล้ขึ้นทุกทีชาวท่านกลัวมากเลยนะกลัวจนขนลุกเลยเพราะว่ามันหมายถึงความตายนะอย่างกิติศัพท์รเรื่องราวพระที่ถูกเสือกัดนะก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาแลแล้วก็มีมาเรื่อยๆ เสือกัดบ้างช้างเหยียบบ้างท่านกลัวมากเลยกลัวมากนี่เพราะว่าท่านก็เลยตั้งมีความตั้งใจในการทำสมาธิเป็นพิเศษจิตมากหนดที่ลมหายใจแล้วจิตมันก็ร่วมมือดีนะมันแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเพราะมันไม่กล้าออกจากลมหายใจ มันกลัวว่าถ้าจะลมหายใจไปรับรู้ได้กลิ่นเสือหรือไปคิดถึงเสือเข้ามันจะผวานมัจิตมันกลัวมากนะมันกลัวมากมันก็ลิ่งยิ่งหลบเข้าไหนมันไม่กล้าพุ่งออกนอกก็คงคล้ายๆกับเต่านะเต่าเวลามันมีมันรู้ว่ามีภัยข้างหน้าเนี่ยมันก็รีบผลดตัวเข้าไปในกระดองเลยจิตที่มันกลัวนะกลัวเสือเนี่ย หรือคลัวอันตรายภายนอกเนี่ยมันก็จะหดเข้าในบอกกว่าท่านทําสมาธิได้ดีมากเลยมาลุมามารุ้ตัวอีกทีหรือว่ามาเปิดตายทีก็สว่างแล้วเวลาสามสี่ชั่วโมงที่ท่านนั่งสมาธิมันเร็วมากเลยแล้วก็เป็นสมาธิที่ดีมากเราก็เรียกว่าต้องขอบคุณเสือนะขอบคุณความกลัวนะความกลัวเนี่ยมันทําให้จิตเป็นสมาธิได้ไวได้เร็ว ซึ่งตรงข้ามกับความดีใจนะความดีใจหรื อ, อการมาราคะนะหรือว่าความปรารถนาที่จะครอบครองหรือเสพอารมณ์ที่ให้ความพึงพอใจเนี่ยมันจะเผลอง่ายมากเลยสตยิ่ตามไม่ทันเอาไม่อยู่สมาธิก็ไม่มีนะแต่พอกลัวขึ้นมาเนี่ยมันสมาธิมันจะดีมากเลย ท่านก็มีประสบการณ์แบบนี้อยู่หลายครั้งแม้กระทั่งไปนอนในป่าช้าความกลัวผีนะมันก็ทำให้ท่านนี่จิตของท่านนี่เข้าสมาธิได้ได้ไวในวันนี้ก็มีนะเผาเผาศพนะหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะการเผาศพแบบนี้มาก่อนก็ได้พิจารณานะ เห็นความความไม่เที่ยงนะของชีวิตของสังขารแล้วก็ข้างในก็คงจะสังเกตถึงความคลั่นคร้ามครั่นคร้ามความกลัวนั่นแหละเวลาเราเห็นเห็นศพนะต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเกิดความหวั่นไหวข้างในมันไม่ใช่แค่กลัวผีนะมันกลัวความตาย กลัวความตายเพราะว่าศพเนี่ยมาเตือนให้เราตระหนักถึงว่าเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นคือตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนนี่อาจจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งจริงจรินี่ก็เป็นโอกาสดีนะนที่ผู้หลงนี่เวลามีศพมาเผาเนี่ยนะตอนค่ำๆ่นี่ก็จะมีชีบ้างมีพระนะ จะขอมานอนขอมาพิจารณาขอมาทำสมาธิเดินจงกรมที่ศาลาศาลาพักญาติก็ถือว่าเป็นโอกาสดีไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวเพราะกลัวนั่นแหละนะถึงมานะเพื่อจะได้เผชิญหน้าความกลัวพระเจ้าตรัสว่า พระเจ้าท่านเคยเล่าประสบการณ์สมัยที่ปฏิบัติธรรมยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะยังไม่ตัดสุลุเป็นพึ่งออกมาจากวังแล้วก็มาบำเพ็ญหาทางหลุดพ้นอยู่ผู้เดียวท่านก็ปฏิบัติอยู่ในป่าท่านกลัวมากนะกลัวนี่จนขนลุกชูชันเลยใจหนึ่งก็อยากจะหนีอยากจะไปให้ไกลจากป่า แต่ส่วนหนึ่งท่านก็รู้ว่าไอ้ความกลัวนี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉันต้องเอาชนะความกลัวให้ได้เอาชนะอย่างไรท่านก็มีท่านก็พบว่ากลัวตรงไหนอยู่ตรงนั้นกลัวที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั้นกลัวป่าก็ให้ไปอยู่ป่ากลัวในอิรลียบทใดก็ให้อยู่ในอิเลียบทนั้นเช่นกลัวเวลานั่งก็ ก็นั่งนั่งมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัวอ น, นี้เป็นวิธีที่พระเจ้าเนี่ยรับมือความกลัวคือไม่หนีมันนะแต่ไปเชิญหน้ากับมันไ ป, ไปเผชิญกับสิ่งที่กลัวแล้วก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยคือพอไปเจอกับความมืดเจอกับไปอยู่ในปา่า ในการที่ได้ไปประสบกับสิ่งใดก็ตามก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวพอไม่มีอะไรที่น่ากลัวก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาไอ้ปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวทําให้หายกลัวอย่างแท้จริงเพราะคนเรากลัวเพราะไม่รู้นะความกลัวมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่พอได้ไป ม, มีประสบการณ์หรือไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวไปเจอสิ่งที่เรากลัวก็จะพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่จินตนาการความกลัวมันหายไปเองเช่ในใครที่กลัวป่ากลัวผีเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่ามันจะมีนะผีมาก่อกวน แล้วอยู่ไปก็เพราะว่ามันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรที่จะมากวนได้เลยป่าก็สงบนะไม่ได้ว่งเวงเลยนะกลับวิเวกได้ซ้ำํำนะก็ทําให้คลายหรือว่าพ้นจากความกลัวเรากลัวตายก็เหมือนกันนะกลัวตายนี่ก็ต้องเกิดจากการจะหายกลัวก็เพราะว่าได้ไประลึกถึงความตายบ่อยๆนะหรือว่าได้เจอคนตาย ได้ไปเห็นคนป่วยที่ใกล้ตายในสิ่งเหล่านี้นะี่มันช่วยทําให้ใจของเราเนี่ยคุ้นชินกับความตายแล้วก็ได้ตระหนักว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรานึกนะรวมทั้งการได้เห็นศพนะก็เห็น บ, บ่อยๆมันก็จะทําให้คลายความกลัวไม่ว่ากลัวศพหรือกลัวตายนะอันนี้ก็เป็นวิธีนะในการที่จะเอาชนะความกลัว จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเ น, นี่ยมันไม่น่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวนะความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายความแก่ความเจ็บไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวแก่กลัวเจ็บนะผีนี่ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีนะสิ่งที่เราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันอยู่ที่ใจเรานะคนที่กลัวกลัวนั่นกลัวนี่ถ้าจริงแล้วคือกลัวตัวเอง กลัวความคิดของตัวเองนั่นแหละหรือกลัวใจของตัวเองนะศัตรูที่น่ากลัวนี่ไม่ได้อยู่ข้างไหนเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือผีสางนางไม้หรือว่าความล้มเหลวหรือว่าความพัดพลาดจากคนที่รัก ไอ้สิ่งเหล่านี้ล้นแต่เป็นสิ่งที่คนเรากลัวทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้กลับมาเห็นตัวเองนะถ้าเขากลับมามองตัวเองก็จะพราะว่าไอ้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอยู่ในใจเขาก็คือความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่และตัดใดที่ไม่สามารถจะรับมือหรือจัดการกับความกลัวที่อยู่ในใจได้นะก็จะไม่มีทางหนีจากความ ทุกได้เลยความเกลียดก็เหมือนกันนะสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่ารังเกียจหรือไม่น่ากลัวเท่ากับความเกลียดเราเกลียดอะไรก็ตามเช่นเกลียดความฟุ้งซ่านนะหรือว่าเกลียดเสียงที่มันดังจริงๆเสียงดังไม่เป็นปัญหาแต่ความเกลียดเสียงดังนะความเกลียดความฟุ้งซ่านต่างหากที่เป็นปัญหา เกลียดความวุ่นวายความวุ่นวายไม่ใช่ปัญหาไอ้ความเกลียดความวุ่นวายต่างหากที่เป็นปัญหานั่นจะเป็นมัวจัดการกับสิ่งภายนอกจะเป็นมัวคิดแต่จะทําให้เสียงมันหายไปนะแต่ว่าต้องกลับมารับมือจัดการกับความกลัวหรือความเกลียดเสียงนั้นอย่าเป็นมัวคิดแต่จะกําจัดความฟุ้งซ่านนะ ไอสิ่งที่เป็นปัญหาคือความเกลียดอยากจะผักสายความฟุ้งซ่านต่างหาและสิ่งที่จะรับมือกับมันได้คือสตินั่นแหละรวมทั้งการที่เราซึ่งหมายถึงการที่เราดูมันเฉยๆมันเกิดขึ้นมามากเท่าไหร่ก็ดีนะทำให้เรารู้จักมันมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่อยากให้ความเกลียดเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะมันทําให้เรารู้จักมันทําให้เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันอยู่กับความฟุ้งซ่านก็ได้นะอยู่กับความเหงาความความเครียกก็ได้ถ้าถ้าอยู่เป็นก็คือเห็นมันเฉยๆการเห็นมันเฉยๆนี่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่ไม่ทุก์เพราะมันการเห็นเฉยๆนี่ไม่ได้หมายถึงการผลักสายมันมุ่งไล่ลากําจัดมันนะแต่ว่าคือการอยู่กับมัน มันจะอยู่ก็อยู่มันจะอยู่ก็อยู่ไปนะนาจไม่ว่าอะไรอย่างที่เคยเล่านะถึงนักปฏิบัติธรรมชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งเคยมาบวชเป็นพระที่เมืองไทยตอนนี้ก็เป็นอาจารย์กรรมฐานที่มีชื่อนะในอเมริกาจากคอนฟิลเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงแจากคอนฟิลนี่นักปฏิบัติธรรมวิปัสสนานี่ อเมริกาจะรู้จักแต่แล้วว่าตอนที่มาบวชนะมาปฏิบัติที่เมืองไทยก็ก็ไปอยู่ป่ามีความกลัวนะมีความกลัวกลัวหลากลัวหลากหลายกลัวสารพัดก็พยายามดูนะแล้วก็ภาวนาวกลัวหนอกลัวหนอแต่ว่ามันไม่หายสักทีแล้วก็มีความทุกข์มากไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวนะ แต่จริงๆแล้วทุกข์เพราะมันความกลัวมันไม่ยอมหายไปนะอันนี้แตกต่างกันมากนะระหว่างทุกข์เพราะกลัวกักบทุกข์เพราะความกลัวไม่หายไอ้ทุกข์เพราะกลัวนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกข์เพราะความกลัวไม่ยอมหายไปเนี่ยมันทำให้เขาทุรนทุรายมากทำยังไงความกลัวก็ไม่หายทุกข์มากเลยแต่ถึงจุดหนึ่งนี่เขา พูดก็ตัวเเลยว่าถ้ามันจะกลัวไปอย่างนี้ไปถ้ามันจะกลัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ว่าะไรโอเคมันจะกลัวกลัวไปให้ความคิดที่จะผลักสายความกลัวมันหมดไปละมันพร้อมที่จะยอมรับความกลัวจะอยู่ไปตลอดชีวิตก็โอเคเพราะว่าพอวางใจแบบนี้นี่ความกลัวมันลดถายวู่ไปเลย เพราะว่าตอนตอนนั้นแหละที่สติมันเป็นสติที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่มีความคิดที่อยากจะผลักสายมันออกไปไม่มีความรู้สึกอยากจะผลักสายความกลัวมันเป็นใจที่ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางไอแบบนี้เนี่ยเราเราไม่มีทางที่จะทำเป็นนะจนกว่าเราจะได้เจอความกลัวเองนะนึกเอาก็ไม่ได้นะ ต้องเจอเองแล้วก็สติปัญญามันจะเกิดความทุกข์นี่มันจะกดดันบีบขั้นให้เราต้องใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์อย่างที่เล่าเนี่ยหลวงพ่อชา้าตั้งกลัวกลัวเสือมากซึ่งที่จริงก็คือกลัวตายนั่นแหละแล้วก็จิตนี่มันก็ร่วมมืออย่างดีเลยนะมัน มันพร้อมมันยินดีที่จะมาแนบแน่นอยู่กับลมหายใจจะได้ไม่ต้องส่งจิตออกนอกไปรับรู้อะไรง <ừ. S 1> ั้นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นภัยคุกคามนี่ก็มีประโยชน์นะมันสามารถจะเอื้อให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิหรือว่าเกิดปัญญาขึ้นมาได้คนเรานี่ถ้าไม่เจอทุกข์ไม่เจอปัญหานี่มันก็ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมันก็อยู่หรือเป็นอย่างที่เคยเป็นแต่พอเจอความทุกข์เข้ามันอยู่เฉยไม่ได้ละมันต้องทําอะไรสักอย่างนะโดยพราท่านหนีไม่ได้ท่านหนีภัยคุกคามไม่ได้หนีปัญหาไม่ได้มันก็จะเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันโดยใจไม่ทุกข์ความเหงาก็ดีความเบื่อก็ดีนะ หลายคนก็ไม่ชอบแล้วะบ่อยครัง้งเราก็ชอบหนีมันหนีไปเที่ยวหนีด้วยการไปพูดคุยกันหนีโดยไปอ่านหนังสือหรือไปทํางานแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องอยู่กับความเหงาอยู่กับความเบื่อโดยที่ไม่มีทางหนีเนี่ยตรงนั่นแหละที่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันจะค่อยๆหาทางที่จะอยู่กับเหตุการณ์อยู่กับความเหงาโดยที่ใจไม่ทุก ก็คือดูมันนั่นแหละดูมันเห็นมันเฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆหรือไม่ก็หันมาทําสมาธิซะเลยลพอจิตมาทพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยให้ความเหงาความเบื่อความเสืมมก็หายไปและจิตของเราเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าหากว่าเจอความทุกข์บีบคั้นนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะ ก็เคยพูดไปหลายครั้งว่าเนี่ยเขาถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งเขาคงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มาสนใจธรรมะหรือว่าไม่เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัตินะแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งเป็นโรคที่การแพทย์หรือว่ายาเนี่ยมันพึ่งพาไม่ได้หวังไม่ได้ก็ต้องพึ่งใจแทนก็ทําให้ต้องฝึกใจจนกระทั่งใจนี้รู้จักปล่อยวาง มะเร็งมันไม่ไปก็จริงแต่อยู่กับมะเร็งได้อยู่กับมะเร็งด้วยสติอยู่กับมะเร็งด้วยสมาธิอยู่กับมะเร็งด้วยปัญญาคือความเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาคนที่ตระหนักว่ามันเป็นธรรมดานะความเจอความป่วยเขาก็สามารถจะอยู่กับมะเร็งได้โดยที่ไม่ทุกข์พราะเขายอมรับความจริงของชีวิตได้ยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของความของขอ ง, ของชีวิต ไม่ยังเป็นต้องหนีนะคนเราไม่สามารถไมย่ยังเป็นจะต้องมีความสุขเพราะว่าหนีภยัยอันตรายแต่เราสามารถจะเป็นสุขได้เพราะอยู่กับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่กับอันตรายหรือสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจนกระทั่งตระหนักว่าที่จริงมันไม่ใช่ภัยเลยมันเป็นธรรมดานะความแก่ความเจ็บนะหรือว่าภัยคุกคามเหล่านั้นแท้จริงแล้วมันเป็นธรรมดาแต่เป็นเพราะเรามีความหลง วางใจไม่เป็นเราก็เห็นว่ามันเป็นภัยแต่พอเรามีปัญญาเพราะว่าการพิจารณามันเราก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่ภัยนะมันเป็นธรรมดาชเช่นนั้นเองเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใจก็ไม่ทุกข์แค่พวกเรานี่เวลาปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องอย่าคิดแต่จะหนีปัญหาอย่างเดียวนะ อย่าคิดแต่จะหนีความกลัวอย่างเดียวอย่าคิดแต่จะหนีความความโกรธนะอย่าคิดแต่จะหนีความเบือ่อความเซ็งเราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันนะอย่างเนี่ยเผาศพเนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีเลยนะใครที่กลัวเนี่ยต้องหน้าใช้โอกาสนี้เข้าไปพิจารณานะในการยิ่งเป็นเวลาดึกดึกเนี่ยยิ่งช่วยทำให้เราได้เห็นความกลัว แล้วก็เรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรหรือจะรับมือกับมันอย่างไรนะจะใช้สติสมาธิหรือปัญญาดีนะมีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาญท่างก็ใช้ปัญญาทนะ่านถามเวลาท่านก็เคยท่านเจอเสืออยู่หลายครั้งนะนะคราวหนึ่งท่านก็กลัวกลัวกลัวเสือท่านก็ถามตัวเองว่ากลัวอะไรก็มีคามําตอบกลัวเสือกลัวเสือตรงไหน กลัวเสือที่เล็บที่ตานะที่แขนที่ขาที่ลําตัวเกิดพอท่านแยกเป็นทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จะกลัวอะไรนะอันนี้คือการมองคือการมองแบบแยกส่วนนะเหมือนกับเราพิจารณาสังขารเนี่ยว่าถ้าเราไม่พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามแต่พอเราแยกออกไปเป็นส่วน ด้วยาการสานสบสองคาโลมาเกสาโลมานคาทันตาตัโจขนหนังผมฟันเล็บแยกไปเรื่อยๆเพราะอย่าไปเทีส่วนนี้ความสวยงามมันหายไปแล้วมันกลายเป็นความไม่สวยมาแทนทีนะ่เสือก็เหมือนกันนะท่านหลวงพ่อช้างต้อพิจารณาแยกเป็นทีละส่วนทีละส่วนว่ากลัวอะไร พ อ, อยราไปเที่ยส่วนประกบว่าหายกลัวเลยนะหายกลัวเพราะว่าเพราะว่าความกลัวนี่มันเกิดขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งอันนี้ก็ท่านก็เรียกว่าใช้วิปัสสนานะในการที่จะเอาชนะความกลัวให้เราจะพบว่าเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยเมื่อมันเจอปัญหาเจอแรงกดดันเจอแผยอันตรายเนี่ยมันสามารถจะทํางานได้อย่างฉลาดมันสามารถจะปรับเปลี่ยนตัวเอง มันสามารถจะขุดเอาธรรมะหรือระดมเอาธรรมะนี่มาใช้ไม่ว่าสติสมาธิปัญญาอย่างได้ผลซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจหรือว่าเกิดความศรัทธาในในธรรมะมากขึ้นแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญในการเอาธรรมะนี่มาใช้ในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอราลก็พอสมควรกัเวลาละอ่ะก็เตรียมกลับพระคลองกัน